3. วิธีคิดแบบสามัญลักษ์วิธีคิดแบบสามั ญ, ญลัก ษ, บบญญกษ์หรือวิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาคือมองอย่างรู้เท่าทันความเป็นอยู่เป็นไปของสิ่งทั้งหลายซึ่งจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นตามธรรมดาของมันเองโดยเฉพาะที่มุ่งที่ประดาสัตว์และสิ่งที่คนทั่วไปจะรู้เข้าใจถึงได้ในฐานะที่มันเป็นสิ่ง ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยต่างๆปรุงแต่งขึ้นจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมดาที่ว่านั้นได้แก่อาการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดจากปัจจัยปรุงแต่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องดับไปไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ไม่ยั่งยืนไม่คงอยู่ตลอดไปเรียกว่าเป็นอนิจจังธรรมดานั้นเช่นกัน คืออาการที่ปัจจัยทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกทุกอย่างต่างก็เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเสมอเหมือนกันเมื่อเข้ามาสัมพันธ์กันจึงเกิดความขัดแย้งทำให้สิ่งเหล่านั้นมีสภาวะถูกบีบคั้นกดดันไม่อาจคงอยู่ในสภาพเดิมได้จะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนสลายเรียกว่าเป็นทุกข์ธรรมดานั้นเองมีพร้อมอยู่ด้วยว่า ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเป็นสภาวะคือมีภาวะของมันเองดังเช่นเป็นสังขารที่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยมันก็ไม่อาจเป็นของของใครไม่อาจเป็นไปตามความปรารถนาของใครไม่มีใครเอาความคิดอยากบังคับมันได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของครอบครองมันได้จริงเช่นเดียวกับที่ไม่อาจมีตัวตนขึ้นมาไม่ว่าข้างนอกหรือข้างในมัน ที่จะสั่งการบัญชาบังคับอะไรอะไรได้จริงเพราะมันเป็นอยู่ของมันตามธรรมดาโดยเป็นสังขารที่เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามใจอยากของใครเรียกว่าเป็นอนัตตารวมความคือรู้ท้อทันว่าสิ่งทั้งหลายที่รู้จักเข้าใจไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นเป็นธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะความเป็นไปโดยทั่วไปเสมอเหมือนการตามธรรมดาของมันในฐานะที่เป็นของปรุงแต่งเกิดจากเหตุปัจจัยและขึ้นต่อเหตุปัจจัยทั้งหลายเช่นเดียวกันวิธีคิดแบบสามั ญ, ญลนนักษณะนี้แบ่งได้เป็นสองขั้นตอนขั้นที่หนึ่งคือรู้เท่าทันและยอมรับความจริง เป็นขั้นวางใจวางท่าทีต่อสิ่งทั้งหลายโดยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติเป็นท่าทีแห่งปัญญาท่าทีแห่งความเป็นอิสระไม่ถูกมัดตัวแม้เมื่อประสบสถานการณ์ที่ไม่ปรารถนาหรือมีเรื่องราวไม่น่าพึงใจเกิดขึ้นแล้วคิดขึ้นได้ว่าสิ่งนั้นๆเหตุการณ์นั้นๆเป็นไปตามกติธรรมดาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมัน คิดได้อย่างนี้ก็เป็นท่าทีแห่งการปลงตกถอนตัวขึ้นได้หายจากความทุกข์หรืออย่างน้อยก็ทำให้ทุกข์นั้นบรรเทาลงไวขึ้นไปอีกเมื่อประสบสถานการณ์มีเรื่องราวเช่นนั้นเกิดขึ้นเพียงตั้งจิตสำนึกขึ้นได้ในเวลานั้นว่าเราจะมองตามความเป็นจริงไม่มองตามอยากให้เป็นหรืออยากไม่ให้เป็นการที่จะเป็นทุกข์ ก็ผ่อนคลายลงทันทีรอบเลื่องตัวเป็นอิสระได้ไม่เอาตัวเข้าไปให้ถูกกดถูกบีบความจริงคือไม่สร้างตัวตนขึ้นให้ถูกกดถูกบีบขั้นที่สองคือแก้ไขและทำการไปตามเหตุปัจจัยเป็นขั้นปฏิบัติ ต่อสิ่งทั้งหลายด้วยสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยปัญญาด้วยความรู้เท่าทันเป็นอิสระไม่ถูกมัดตัวความหมายในข้อนี้คือเมื่อรู้อยู่แล้วว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยขึ้นต่อเหตุปัจจัยเราต้องการให้มันเป็นอย่างไรก็ศึกษาให้รู้เข้าใจเหตุปัจจัยทั้งหลายที่จะทาให้มันเป็นอย่างนั้น เราแก้ไขทำการจัดการที่ตัวเหตุปัจจัยเหล่านั้นเมื่อทำเหตุปัจจัยพร้อมบริบูรณ์ที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วถึงเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมที่จะให้เป็นถึงเราจะอยากหรือไม่อยากมันก็จะไม่เป็นอย่างนั้นกล่าวสั้นคือแก้ไขด้วยความรู้ และแก้ที่ตัวเหตุปัจจัยไม่ใช่แก้ด้วยความอยากในทางปฏิบัติก็เพียงแต่กาหนดรู้ความอยากของตนและกาหนดรู้เหตุปัจจัยแล้วแก้ไขกระทำการที่เหตุปัจจัยเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ก็ถอนตัวเป็นอิสระได้ไม่ถูกความอยากพาตัวซึ่งความจริงคือสร้างตัว เข้าไปให้ถูกกดถูกบีบเป็นการปฏิบัติอย่างไม่ถูกมัดตัวเป็นอันว่าทั้งทำการตรงตามเหตุปัจจัยและทั้งปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเป็นวิธีปฏิบัติที่ทั้งได้ผลดีที่สุดและตนเองก็ไม่เป็นทุกข์ การปฏิบัติตามวิธีคิดแบบที่สในขั้นที่สองนี้สัมพันธ์กับวิธีคิดแบบที่4ซึ่งจะกล่าวข้างหน้ากล่าวคือใช้วิธีคิดแบบที่4วิธีคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหามารับช่วงต่อไปในการเจริญวิปัสสนาตามประเพณีปฏิบัติ ซึ่งได้วางกันไว้เป็นแบบแผนดังบรรยายไว้ในชั้นอัธกถาท่านถือหมวดธรรมะคือวิสุทธิเจ็ดเป็นแม่บทและลำดับญาณที่แสดงไว้ในคำภีปฏิสัมพิทามรคเป็นมาตรฐานและยึดวิธีจำแนกปรากฏการโดยนามรูปเป็นข้อพิจารณาขั้นพื้นฐานตามหลักการนี้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 ลำดับที่หนึ่งใช้วิธีคิดแบบแยกแยะหรือวิเคราะห์องค์ประกอบซึ่งตรงกับวิธีที่สองที่กล่าวมาข้างตน้นกำหนดแยกปรากฏการตา์ต่างๆเป็นนามธรรมกับรูปธปรรมว่าอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามจำพวกรูปมีอะไรบ้างจำพวกนามมีอะไรบ้างมีลักษณะมีคุณสมบัติเป็นอย่างไรอย่างไรเรียกว่าขัน้นนามรูปปริเคราะห์บ้าง นามรูปวัฏฐานบ้างนามรูปปริเฉตหรือสังขารปริเฉตบ้างและจัดเป็นทิฏฐิวิสุทธิคือวิสุทธิที่สามอย่างไรก็ตามความประสงค์ของท่านมุ่งเน้นให้กำหนดจับและรู้จักสภาวะหรือองค์ประกอบตามที่พบเห็นตามที่เป็นอยู่ว่าอย่างไหนเป็นนามอย่างไหนเป็นรูป มากกว่าจะมุ่งเน้นในแง่ของการพยายามแจกแจงลำดับที่สองใช้วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยซึ่งตรงกับวิธีที่หนึ่งในขั้นต้นที่กล่าวมาพิจารณาค้นหาเหตุปัจจัยของนามและรูปนั้นในแง่ต่างๆเช่นพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาท พิจารณาตามแนวอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมและอาหารพิจารณาตามแนวกระบวนการรับรู้เช่นจักุวิญญาณอาศัยจกักุกับรูปารมณ์เป็นต้นพิจารณาตามแนวกรรวิวัตวิปากวัตรเป็นต้นแต่รวมความแล้วก็อยู่ในขอบเขตของปฏิจจสมุปบาทนั่นเองเป็นแต่แยกบางแง่ออกไปเน้นพิเศษ ขั้นนี้เรียกว่านามรูปปัจจัยปริคหะหรือเรียกสั้นๆว่าปัจจัยปริคหะหรือปัจจัยปริเคราะห์เมื่อทำสําเร็จเกิดความรู้เข้าใจก็เป็นธรรมะทิติยานหรือยถาภูตยานหรือสัมมาทัศนะจัดเป็นกังขาวิตรณวิสุทธิซึ่งเป็นวิสุทธิที่สี่ ลำดับที่สาใช้วิธีคิดแบบรู้เท่าทันธรรมดาหรือวิธีคิดโดยสามั ญ, ญลักษณ์ซึ่งตรงกับวิธีที่สามที่กล่าวมาข้างต้นนำเอาน้ำรูปหรือสังขาร น, นั้นมาพิจรารณาตามหลักแห่งคติธรรมดาของไตรลักษณ์ให้เห็นภาวะที่เป็นของไม่เที่ยงไม่คงที่เป็นอนิจจงถูกปัจจัยขัดแย้งบีบคั้นเป็นทุกข์ ไม่มีไม่เป็นด้วยตัวของมันเองใรไรเข้ายึดถือเป็นเจ้าของครอบครอ ง, บ, งรบังคับด้วยความอยากไม่ได้เป็นอนัตตาขั้นนี้เรียกว่าสัมมาสัญญานเป็นตอนเบื้องต้นของมรคคามขยานทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นวิสุทธิข้อที่หข้อความอ้างจากบาลี ซึ่งใช้วิธีคิดแบบที่สองและแบบที่สพิจารณาไปพร้อมๆกันขอยกมาให้ดูเพียงเล็กน้อยพอเป็นตัวอย่างภิกษุทั้งหลา ย, ลายเธอทั้งหลายจงมนสิการโดยแยบกายคือโยนิโสมนสิการซึ่งรูปและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาแห่งรูปตามความเป็นจริงโดยในยะเดียวกัน จงมนัศิการโดยแยกไขยซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารซึ่งวิญญาณและจงพิจารณาเห็นอนิจจตาตามความเป็นจริงภิกษุผู้มีสุ ต, ตะพึงมนัศิการโดยแยกคายซึ่งอุปาทานขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงโดยความเป็นของถูกปัจจัยบีบคั้นโดยความเป็นของมิใช่อัตตา พุทพจน์ต่อไปนี้แสดงการคิดแบบสืบสาวหาเหตุต่อด้วยการคิดแบบสามั ญ, ญลักษ์เพื่อวัตถุประสงค์แห่งการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงให้ใจเป็นอิสระมีให้เกิดทุกข์ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสารณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสารณะจงมีธรรมะเป็นที่พึ่ง มีธรรมะเป็นสา ร, รณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสา ร, รณะอยู่เถิดเมื่อเธอทั้งหลายจะเป็นผู้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นสา ร, รณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นสา ร, รณะเป็นอยู่ก็พึงพิจารณาโดยแยบคายว่าโสกกระปริเทวะทุกโทมานั์และความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นแดนเกิดภิกษุทั้งหลาย โศกาปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจทั้งหลายเกิดจากอะไรมีอะไรเป็นดานเกิดอุทชนในโลกนี้ผู้ขาดสุดตะคือไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้พบเห็นอริยชนไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้ศึกษาในอริยธรรมไม่ได้พบเห็นสัตว์บุรุษไม่ฉลาดในสัพพุริสธรรมไม่ได้ศึกษาในสัพพุริสธรรม ย่อมมองเห็นรูปของตนมองเห็นตนมีรูปมองเห็นรูปในตนหรือมองเห็นตนในรูปรูปของเขานั้นผันแปรไปกลายเป็นอย่างอื่นโสกาปริเทวะทุกโทมนั์และความผิดหวังครับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะการที่รูปผันแปรไปกลายเป็นอื่นเขามองเห็นเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณเป็นอัตตาเป็นต้นอย่างที่กล่าวแล้วโศกปริเทวะทุกโทมนัสและความผิดหวังคับแค้นใจย่อมเกิดขึ้นแก่เขาเพราะการที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผันแปรไปกลายเป็นอื่นส่วนภิกษุรู้ชัดว่ารูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยง แรปรวนได้จางหายดับสิ้นได้มองเห็นตามเป็นจริงด้วยสัมมาปัญญาอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งปวงลวง้วนไม่เทียงถูกปัจจัยบีบคั้นมีความแรปรรวนเป็นธรรมดาทั้งในการก่อนทั้งในบัดนี้ก็เช่นเดียวกันเธอย่อมลาโศกะปริเทวะทุกโทมนต์ และความปิดหวังขับแค้นใจทั้งหลายได้เพราะละโสกเป็นต้นนั้นได้เธอย่อมไม่ต้องหวาดหวั่นเสียใจเมื่อไม่หวาดหวั่นเสียใจย่อมอยู่เป็นสุขภิกษุผู้อยู่เป็นสุขเรียกได้ว่าตัดทางคนิพพานแล้วตัดทางคันนิพพานหมายถึงนิพพานเฉพาะกรณี วิธีพิจารณาแบบนี้พึงดูได้ในพระไตรปิฎกบาลีเล่ม17เกือบตลอดเล่มและมีกระจายอยู่มากในเล่มอื่น